ให้ควรไม่ทันอย่างที่พราานะนอาจารย์แนะนําอาจจะความรู้น้อยนะคะถ้าสิบวินาทีจงมีเวลามีลมหายใจต่ออยู่ในโลกนี้จริงๆโดยที่อาจจะเป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อ ง, อ ย, งอย่างเข้มข้นพอที่จะเอาตัวรอดนะคะพระอาจารย์จะให้กรรมฐานอะไรไว้ไหมคะถ้าจําเป็นต้องไปเจอสถานการณ์ที่มันปัจจุบันทันด่วนจริงๆถ้าถามว่า ถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยอันนี้ลำบากไหมยอ ม, มว่าลาบากไม่ลาบากคือไม่รู้เรื่องอะไรไปเลยเนี่นก็ลาบากแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าชาวพุทธไม่ไม่แข็งแรงในคุณของพระราธนตรัยถ้าถามบ อ, อกว่าแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันต้องต้องเตือนตัวเองอย่างนี้นะว่าถ้าวันหนึ่งทุกคนเวลาไปต้องบอกลูกบอกหลานนะ ต้องบอกว่าถ้าวันหนึ่งที่จะต้องไปไประชิญหน้าข้าพยามัจจุราชซึ่งมันต้องเจอแน่นอนเนี่ยย้ายพยามัจจุราชก็คือความตายเนี่ยต้องถามลูกทีถามหลานทีถามญาติมิตรทีว่าเมื่อไปไประชิญหน้ากับพยามัจจุราชแล้วเนี่ยถามว่าจะตั้งท่าทีและจะคิดยังไงจะคิดยังไง จะอะไรไปสู้กับเขาเคยถามตัวเองไหมซึ่งเราจะต้องเดินไปสู้ไปถึงถึงตรงนั้นจริงๆไงแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาเราจะ อ, าอะไรไปสู้กับเขาเอาอะไรดีมันนึกไม่ออกอะ่ะถ้าสวดมวนต์ยาวๆก็สวดไม่ออกเยอะจังตรงนี้แหละถึงบอกว่าที่สุดจริงๆ จ, จ, จะต้องไปจากการเตรียมตัวจริงๆ ถึงบอกว่าวันนี้ต้องถามดูที่ว่าพระตะนาตรัยเนี่ยประทับอยู่ในใจยังคุณของพระพุทธเจ้านั้นตรงนี้ก็คือต้องระดมแล้วว่าวันหนึ่งถามตัวเองที่บอกว่าพอประสบปัญหาเนี่ยคนที่เราคิดถึงคนแรกน่คือใครใช่พระพุทธเจ้าไหมถ้าไม่ใช่เนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรตวเนี้ เคยบอกไว้หลายครั้งว่าเราคิดถึงบุคคลอื่นคิดเท่าไหร่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเราได้แต่คิดถึงพระพุทธเจ้าสิตรงนี้แหละว่าเราจะทาศรัทธาอย่างไรที่ความตั้งมั่นในคุณของพระพเจ้าอย่างน้อยเรียกพันนามของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคำว่าพุทธโธเนี่ยแต่ให้เข้าใจความหมายนะก็ยังมีว่าตอนนั้นใจคิดถึงพระตนะตรยัยลมให้ใจขาด ก็ยังมีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้าก็ขนาดเด็กที่ไม่รู้เรื่องอ่ะสวดมนต์คำว่าพุทธังสระนังกฉามิทำ ม, มังสระังกฉามิสังขังสระนังกฉามิยังไปสุขติได้ลมให้ใจขาดฉะนั้นถ้าบอกว่าคิดอะไรก็ไม่ออกเลยเนี่ยก็คือระลึกถึงคุณของวุเดย่า่ด้ดง อันนี้แปลว่าแบบประเภทที่ทํายังไงก็คิดเลยไม่ออกก็ยังไงต้องตายแน่ๆใช่ไหมก็นั่นแหละอยากคิดเรื่องอื่นน้อมจิตสลับเรื่องอื่นให้หมดแล้วก็น้อมก็ถึงพระรดานไตรนั่นเงก็คือพระพุทธเจ้าอันนี้แบบประเภทที่หาข้อมูลก็ไม่ได้ทั้งๆที่บอกข้อมูลมาตามลําดับแล้วเนี่ยนะเพราะจริงๆเขให้เตรียมตัวก่อนตายใช่ไหมอันนี้ไปเตรียมตัวก่อนจะตายห้านาทีอย่างเงี้ยก็มีแต่ร้องเรียกพระพุทธเจ้าเท่นั้นอย่าไปร้องเรียกแม่อย่าไปร้องเรียกพ่อ ซึ่งที่สุดจริงๆพ่อและแม่ก็ช่วยไม่ได้นั้นเรากลับไปก็ต้องบอกลูกว่าเนี่ยอย่าเรียกแม่บ่อยได้ไหมให้เรียกออกเป็นผู้เรียเจ้าหน่อยได้ไหมเยอะมาอุทานแต่ละครั้งก็เรียกพ่อเรียกแม่อยู่เรื่อยหรือเรียกคนที่เกี่ยวข้องอยู่เรื่อยเรียกผู้เรียเจ้าบ่อยๆได้ไหมให้จิตคุ้นเคยกับพระนามของพระศ า, าสดาเนี่ยนะเจ้าค่ะก็ เป็นข้อมูลที่ดียิ่งค่ะขอให้พวกเราน้อมไว้นะคะว่าให้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเราจะมีพระบรมศาสดาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นประโยคหนึ่งที่เราได้ย้ําเตือนกันแล้วก็เป็นประโยคที่พระคุณเจ้าได้กรุณาแนะนํา